วิปัสสนาแท้เริ่มที่หมดความจงใจในขั้นนี้เราไม่สามารถจงใจกระทำอะไรต่อไปได้หรอกครับ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 คนเราสั่งสมสิ่งใดไว้ก็ได้สิ่งนั้นสังสารวัตจึงเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากสำหรับผู้ที่รู้ทันเัาว่ามันเป็นอันตรายแต่ไม่น่ากลัวสำหรับผู้ที่กำลังหลงอยู่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 ถึงปฏิบัติเก่งยังไรก็ต้องเจริญเมตตาไว้อย่าไปมีเรื่องกับคนอื่นจะปลอดภัยกว่าครับร้นนนนน่ ม, มาานานไววฉัท บ, บทความจากธรรมะใกล้ตัวฉบับที่22อ่านโดยโจโฉหรืออนุสอนรีโสภานในนตตัวต ติดตามงานทั้งหมดของหลวงพ่อปราโมวดปามวโชวได้ที่เว็บไซต์ www.wimuti.net w w i m u t i n e t ัหลักแหล่งพักทิ้งแอบเร็นจนดับดินฟ้าเปลี่ยนแปลงอับปลาใจว่ามีรู้สิ้นแตกแปลพันทินทั้งสุดช้าเร็วตามกัน ถูกบรดทัดด้วยกเกาหมดกำแกเปาฝังพื้นดินสู่การดินดนในฉากใหม่ต่อไปรอคอยทางประเสริฐช่วยนำสูแ่แดนไรนิรัน